ขอความเจริญในธรรมดงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรงระพยนตาณในวันนี้ก็คงนำเรื่องของศีลที่ทรงจบแนกแสดงไว้โดยปริยายต่างๆมาเสนอในท่านผู้ฟังต่อไปในชุดต่อไปนั้นก็เรียกว่าโล ก, กีศีลกับโล ก, กุตตรศีล หมายความว่าคนในรักษาศีลยังมีกิเลสยังมีอาสวะอยู่สาบใดก็ยังถือว่าเป็นโลกิยาศีนอยู่สาปนั้นแต่เมื่อรักษาศีนจนหมดสิ้นกิเลสอาสวะออกไปก็ถือว่าเป็นโล ก, กุต ร, ระศีนเราโดยสรุปก็คือศีนของสามัญชนโดยทั่วไปนั้นเป็นโลพิยศีล ศีลของพระยะเจ้าโดยเฉพาะปาราหันเขาเป็นโลกุตตรศีลทิ้ น, นหนึ่งอีกสามประการเขาเรียกวุศและศีลคือศีลที่มีกุศลจิตเป็นสมุธฐานหมายความประการรักษาศีลของบุคคลเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนามีปัญญาพิจารณาเห็นคุณของศีล เห็นโทษของการไม่มีศีลแล้วก็พยายามรักษาหรือจะทำตนเองให้ปราศ จ, จากโทษอกุศลและศีลคือศีลที่มีอกุศลจิตเป็นสมุดฐานหรือรักษาศีลด้วยเสยแสแซงโดยมายาโดยโออวดด้วยแข่งดียกตนข่มท่านคือไม่ได้เจตนาที่บริสุทธิ์จริงๆ เป็นการเสียแซงชั่วครั้งชุ่วคราวรักษาเพื่อจะแข่งดีกับบุคคลอิเป็นต้นแล้วก็ศีลที่มีเจตนาเป็นกลางตามปกติก็ไม่น้อยนะฮะเจตนาที่เป็นกลา ง, ลางเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อจะเป็นกุศลเจตนาเน่มากกวเพื่อนแล้วเมื่อรักษานั้นท่านอย่างจนแม่ก็ไปเป็นศีลคือหมายความว่า เช่นในสิ่ข้อเดียวกันนั่นแหละจะรักษาได้ไม่ลึกซึ้งมากพอยกตัวอย่างเช่นสิลข้อที่หนึ่งคือปานาปิบาตเนี่ยเรา อ, อาจจะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองแต่ก็อาจจะใช้คนอื่นฆ่าหรืออาจจะไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าแต่อาจจะยกย่องสนรรันเสริญคนที่ฆ่าสัตว์ หรืออาจจะไม่ถึงก็ยกย่องแต่ก็ชื่นชมยินดีกับเขาพอใจการที่เขาเป็นคนคาาสัตว์หรือพอใจสิ่งที่ได้มาจากการค้าเราเห็นว่าสีน้องไหยาบกลางละเอียดแตกต่างกันออกไปท่านก็เรียกว ah ่าฮีนามชจิมะปณีตะหมายความมันแยกออกเป็นสามระดับสีชั้น ชั้นเลวชั้นกลางชั้นประณีตทีนี้การประรบในการรักษาศีลก็มีลักษณะคล้ายๆกับฐานเหมือนกันคือถือตอนเองเป็นใหญ่ให้ความเคารพตนเองก็เรียกว่าอัตตาธิปไตยศีนถือชาวโลกเป็นใหญ่อนุวัตดตามชาวโลกเขาคล้อยตามชาวโลกเขาก็ถือว่าโลกาธิปฏายศีล มองเห็นคุณค่าของศีลโดยไม่ใส่ใจว่าใครก็จะว่ายังไงหรือตอนเองจะเป็นยังไงแต่เห็นว่าคุณค่าของศีลควรแกการรักษาระสะสักษาศีลจากนี้เรียกว่าธรรมาธิปไตยศีนคือศีลที่มีธรรมเป็นใหญ่เคารพต่อธรรมใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะรู้หรือไม่รู้ใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องไม่ได้ใส่ใจ แต่เห็นว่าเป็นเรื่องควรรักษาก็รักษาเท่านั้นเองประการต่อไปนั้นเรียกว่าปรามัตต์ศีลคือศีลที่รักษาด้วยตัณหาและทิฏฐิจับต้องปรามัตตศีลคือศีลที่เป็นอวัยวะเครื่องปรุงมรรคของปุตุชนและศีลที่สั ม, มยุตโดยมรรคของพระเสขบุคคลแล้วก็ปฏิปัสสัทธศีล คือเป็นศีลที่เป็นของพระเสขาบุคคลและของพระอาศัข่าบุคคลคือของพระริยะนี่ครับเป็นศีลที่สงบระงับจริงๆแม้จะมีอะไรมากระตุ้นจากข้างนอกบางก็ไม่หวั่นไหวคือคงรักษาศีลไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งก็จัดเป็น อันนี้ท่านจัดไว้ในศีลนิเทศนะในวิสุทธิมรรคบอกว่าศีลที่ภิกษุต้องอบัติแล้วปรุงทําคืนเจอีอคือพระเราเนี่ก็เหมือนกับญาติโยมนี่แหละญาติโยมนั้นศีลข้อไหนก็ตา่างดรักษาไปแล้วถ้าเกิดขาดก็ต่อใหม่ได้ทั้งหมดสมาทานศีลใหม่ได้ทั้งหมดแต่ของพระนั้นมีอยู่สีข้อที่ต่อใหม่ไม่ได้ คือทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้ต้องศึกลูกเดียวเพราะที่จริงก็คือศีลสีข้อแรกนั่นเองแต่ว่าศีลระดับของอุโบสถศีล น, น ะ, ะหมายความว่าการมีเพศสัมพันธ์การฆ่าคนการลักทรัพย์การพูดอวดอุตริมนุษยธรรมมันเป็นศีลที่ค่อนข้างแรง สมพระเนี่ยก็แปลว่าแพ้หรือปราชัยหรือปลราชิกเนี่ยปลราชิกก็แปลว่าปรารชัยนะฮะคือแพ้สู้ใจตัวเองไม่ได้ศีลอย่างหนึ่งเขาเรียกอาวิสุทธิศีลคือต้องอับัติแล้วไม่ทําคืนอับัติหมายความอับัตเล็กอับัตน้อยอะไรก็ตามถ้าเรายังไม่ทําคืนก็แสดงว่าเราไม่บริสุทธิ์จากศีลข้อนั้น แล้วเวมาติกาสิงคือสีงของภิกษุผู้สงสัยในการประพฤติปฏิบัติของตนบางสิ่งบางอย่างเอไม่แน่ใจเราต้องอบัติหรือไม่ต้องอบัติเนี่ยเส่วนมากแล้วท่านก็ไม่ให้เสี่ยงคือไม่แน่ใจเราก็แสดงอบัติด้วยความไม่แน่ใจบางทีก็หาเรื่องไม่แน่ใจเอาเฉยๆนะครับแตบางทีการรักษาสีเนี่ยมันก็เครียดเหมือนกัน เกิดแบทบนนี้กระทบนี้หน่อยแล้วก็ใ น, นที่สุดก็อาจจะเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาว่าเป็นการละเมิดสินหรือไม่ประการต่อไปนั้นคอือสินที่สมมยุทธ์ด้วยอริมัคซีและสามัญญผลสามหมายความว่าเป็นของพระรยะบุคคลสามประเภทเนะ คือพระโสดาบันสกิตาคานาคาและศีลที่สัมมยุทธ์ด้วยอาหารตผลอันนี้เป็นศีลที่เรียกว่าอัตโนมัติ น, นะรหมายความว่ารสาสักษาศีลโดยไม่ต้องสารวมระวังการเคลื่อนไหวการพูดการจาอะไรของท่านความคิดของท่านเนี่ยเป็นศีลเป็นธรรมะไปโดยธรรมชาติแล้วก็แบ่งเป็นศีลของปุถุชน สีนี่มีมกุศลมีอกุศลมีอภัยกิจเป็นสมุทฐานอย่างที่ว่าไว้ในมันก่อนแล้โน้นนั้นก็มีการจา แ, แนกสีออกไปโดยแยกเป็นสีนส่วนที่เสียหายสีส่วนสีนส่วนที่เสมอภาคแล้วก็สีส่วนที่เป็นภาคปฏิเสธสีน่วนจำแรกออกแล้วก็จําแนกเป็นสีนของภิกษุภิกษุณี สามเณรทาได้ไม่ใช่เสียพิกสามเณรทาเ น, เนรีนะนางสิกขามนากิดขนกล่าวโดยสรุปก็คือปกติศีลคือการตั้งอยู่ในความดีตามธรรมดาความดีระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ก็ถือว่าเป็นปกติศีลอาจจะาะศีล เป็นมัญญาจริยาประจำะกุลประจำประเทศประจำปก ร, รัชชิอะไรต่างๆขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตแบบแผนต่างๆโดยเห็นว่าบางอย่างชาวบ้านก็ไม่ต้องไปรักษาแต่พระก็ต้องรักษาเช่นยกตัวอย่างอย่างอยอ่างประเพณีการจำพรรษาเนี่ยพระต้องอยู่จําบรรษาใ น, นดูขวนญาติโยมก็ไม่ต้องแล้วก็ เขาเรียกว่าธรรมดาศีลศีลของพระพุทธมารดาเขาบอกพระพุทธมารดานันพอมีลูกมีประวัติศาสตร์ปฏิสนธิในขันแล้วก็งดเว้นจากเมถุนวิราชนะคือ ง, งดเว้นจากเมทุนไม่มีเพศสัมพันธ์กับสวามีต่อไปเป็นโดยธรรมชาติของท่านหรือจิตใจจะไม่พอใจจะไม่ยินดีในเรื่องของกามแล้วก็ ปุพะเหตุกัดศีนศีลของพระโพธิสัตว์ตั้งแต่อย่างสรงพยาวพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันคือการเคลื่อนไหวของท่านก็เป็นศีลไปโดยธรรมชาติหมายความว่าศีลห้านั้นจะสมาทานห ร, หรือไม่สมาทานก็ตามท่านก็ปฏิบัติไปโดยธรรมชาติธรรมดาของท่านอีกอย่างหนึ่ ง, งคือศีลของพระเนี่ย การ น, นับไปนับมาในสีมันเยอะมากคือนับแล้วเป็นพันเน่ยนะะมีผู้ใหญ่เคยนับรวบรวมไว้ตั้งสามพันกว่าข้อแต่ก็ไม่รู้อะไรบ้างแล้วไม่มีใครจําได้นะฮะเพราะว่ามันอยู่นอกปฏิโมกนี่เยอะมากอ่าบัตทุกขวดกาบาทตุนใจทุกขวดนี่มันเยอะจริงๆอ่นก็ทุกข์กดอันนี้ก็ทุกข์กดจะเยอะมากทุกข์กดก็แปลว่าทําไม่ดี ตัวนัดใจใเปว่าโทษมันโตโทษมันอ้วนโทษมันล่ำโทษมันใหญ่เดนนาบัตโทษหนักระดับสามรองลงมาจากบติสังฆาที่เแต่ถ้าเราโดยสรุปพื่จริงรักษาศีลสี่ข้อก็พอแล้วนะแต่กรอบมัญใหญ่นะคือแต่ละข้อนี้กรอบปัญใญ่กรอบแรกก็คือปาฏิโมกขสังวรศีล คือสำรวมในบทบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ในปาฏิโมกศีล207ข้อเนี่ยพอตั้นใช้คำเป็นคำเดียวแต่ว่านับข้อแล้วมันถึง227ข้อแล้วก็อินเซียสังบริศีคือการสำรวมระวังอินทรีเวลาตายรูปผู้ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรดกายถูกต้องยินดนอนแข็งไม่ใจเกิดยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายมากเกินไป และอาชีวะบริสุท ธ, ธิ์การสแสวงหาการได้มาการถือครองการบริโภคใช้สอยปัจจัยสีเนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์โปร่งใสหรือไม่บริโภคด้วยตัณหาแล้วก็เป็นสมาชีวะที่บริสุทธิ์จริงๆไม่เบียดเบียนตนเองในเดือดร้อนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อน ก็เรียกว่าไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นด้วยตนเองไม่ให้คนอื่นไปด้วงละเมิดไม่ยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยการไม่ยุติธรรมไม่ยกย่องสนรเสริญคนที่สแสวงหาได้มาในทางที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่พอใจยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยไม่ยุติธรรม รวมแล้วก็กลายเป็นสมาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบมันมีความละเมียดระไมดลึกซึ้งลงไปโดยลำดับแล้วปัจจยาปัจจเวกขณะคือพระเราเนี่ยเวลาจะฉันอาหารอะไรเนี่ยนะจะต้องใช้เขาเรียกพิจารณาจะก่อนพิจารณาปัจจัยสี่จะก่อนจึงจะบริโภคถต่บริโภคโดยขาดการพิจารณาในท่านปราบประบัติ คนศีลคนนี้เรียกปัจจะยสันนิสิตสินคือพิจารณาปัจจัยสี่โดยแยวคายจึงเสพปัจจัยทั้งสี่ประการในการพิจารณาปัจจัยทั้งสองอย่างคือในเวลารับทำไมเวลาบริโภคในเวลาพิจารณาด้วยสามารถแห่งธาดและด้วยความเป็นของปฏิกูลในเวลาบริโภคพิจารณาโดยในยะเดียวกัน แต่ว่าพิจารณาทั้งเจตนารมวัตถุประสงค์ในการบริโภคปัจจัสิบโดยไม่ให้บริโภคด้วยความเป็นหนี้แต่บริโภคในฐานะเป็นผู้บริโภคมรดกหรือบริโภคในฐานะเป็นเจ้าของหมายความว่าถ้าปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบก็บริโภคเป็นหนี้หรือว่าเป็นขโมยถ้าปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบก็เหมือนกับขโมย เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ในฐานะเป็นโมรดกแต่ถ้าเป็นพระยาบุคคลก็ถือว่าเป็นเจ้าของจริงๆการบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยมีความบริสุทธิ์ส่วนสุดของอนุปสัมพันธ์คือชาวบ้านทั่วไปนะฮะอนุปสัมพันต์เนี่ยก็เป็นความบริสุทธิ์อีกระดับหนึ่ง ความเป็นสุดไม่มีส่วนสุดของอนุประสัมปันความเป็นสุดเต็มรอบของกาลยาณปุตุชนหมายความว่าไม่อะไรต่อร่างกายต่อชีวิตกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะฮะว่าศีลที่กล่าวมาโดยนิย่าต่างๆเนี่ยสรุปแล้วก็เป็นห้าประเภทด้วยกัน ปาหณะศีลคือการล่าซึ่งอกุศลบาปอาธรรมทั้งหลายนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็ไปเน้นไปที่ศีลห้าข้อศีลแปดข้อศีลสิบข้อศีลศีลแทนเนี่ยพวกอกุศลบาปอาธรรมทั้งหลายแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือในกรณีที่เป็นบาปสากลก็ได้แก่การละเมิดศีลสีข้อแรกถือเป็นบาปสากลเป็นโลกวั ช, ชะคือความผิดทั่วทั้งโลก ใครไปทำข้าวกระือว่าผิดด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เวเรามาีสีงคือการละเว้นซึ่งบาปธระมก็แรกการฉละการละหรือการฉละซึ่งบาปธรรมก็ไม่ทำไม่พูดนะฮะไม่ทำไม่พูดนี่เป็นหลัก ต่เรื่องบางเรื่องมันถึงก็ความคิดนะเพราะว่าสีมันมีเจตนาก็ mm. เรียกสัจจิกะคือมีความจงใจมีความตั้งใจในการคิด mm. ก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังมาให้เกิดอาการอย่างนั้นอาการต่อไปก็คือ mm. เป็นเจตนาละเวน้น มองอะไรต่างๆที่เป็นอกุศลบาปธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นจิตสำนึกเป็นมโนธรรมสำนึกที่อยู่ภายในใจเราเรามองเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปสัมพันธ์กับเรื่องตรงนั้นกุศเว้นโดยการํารวจระวังไม่ล่วงละเมิดแล้วก็เจตนาตั้งเจตนาศีลหมายความมาตั้งใจเจตนาเอาไว้เช่น อาจจะตั้งใจแบบเด็ดเดี่ยวก็ได้เช่นว่าไม่สิ่งเสพติดตลอดชีวิตไม่ล่วงละเมิดทางประเวณีตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตไม่รักขโมยตลอดชีวิตอะไรเนี่ยคือตั้งเจตนานงดเป็นไปอ่ะ ที่จริงทางเกิดของศีลก็ไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องมีสมาทานอะไรเสมอไปหรอกนะสามารถจะเกิดได้ด้วยสามอิธิ์ด้วยสามสามอิทธิ์ด้วยกันคือเกิดด้วยการสํารวมระวังเกิดด้วยการเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะไม่ควรที่จะพูดอย่างนั้นที่จะทําอย่างนั้น มันเกิดสำนึกรับผิดชอบขึ้นมาแล้วก็งดเว้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายก็ดูตัวเองดูสถานะของตัวเองดูกาลาเทศะว่าอย่างนี้ควรอย่างนี้ไม่ควรแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังที่การสำรวมระวังมันต้องมีเครื่องมือในการช่วยสำรวมระวัง เพรโดยปริยายหนึ่งก็ส่งแสดงไว้เป็นห้าอย่างอย่างหนึ่งก็คือสํารวมระหว่างตามบทบรญยัติของสิทธาบทสิทธาบทเหล่านั้นท่านบัรยัติว่าอย่างไรก็สํารวมระหว่างไปตามนั้นแต่พิงสังเกตว่าการรักษาศีลไม่ใช่ว่าเรารักษารวดเดียวทั้งหมดนคือไม่มีเหตุให้ล่วงแล้วเมิดอศีลมันก็ไม่มีความคิดที่จะล่วงแล้วเมิดอศีล ไม่มีการกระทำที่เราเรียกว่าเป็นการผิดศีลต่อเมื่อใดที่มีเจตนาที่จะละเมิดศีลแล้วก็กระทำพูดออกไปพูดออกไปมันก็เป็นการละเมิดเพื่อการสำรวมระวังบางครั้งบางคราวเราก็ใช้สติสำรวมด้วยสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มากหนึ่งคือการอดกั้นการอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลาย ไม่รู้อา <2 builds Donald Trump> นาจแก่อารมณ์คือตามปกติคนเราเวลาเมื <S <S <scientific> <S 2> <S 2네่อส <royalty according> <pain> ีเนี่ยมันต้องมีตัวยั่วยุ่ยยวนถ้าไม่มีอะไรยั่วยุ่ยยวนมันก็รักษาในรักษาตัวไว้ได้พอสมควรจนรักษาสีห้ามาแล้วไปเจอทรัพย์ก็วางไว้เงินมันเยอะเหลือเกินแสดงว่ามีอารมณ์มายั่วยวนแล้ว ถ้าควบคุมความอยากไว้ไม่อยู่ <c oughs> ก็อาจจะไปหยิบช่วยของเหล่านั้นล้วก็เป็นเหตุให้เราเมืดสียนได้แต่ถ้าเรามีสํานึกรับผิดชอบมันก็ไม่แตกอะไรก็สำรวมระวังเอาไว้อัดอดรันอดทนเอาไว้ไม่รู้อำนาจแกอารมณ์ทำใจยอมรับความจริงไม่ใช่ของเราอ่ะก็คือของคนอื่นก็เท่านั้นเองแล้วก็ตั้งใจสารวมระวัง ประการต่อไปอาจจะใช้สติคือระลึกทันนั่นไม่ใช่ของเราเราเป็นนั่นเราเป็นคนอย่างนั้นเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตีอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่จะคิดอพื่อจิตไม่มีหลักยึดเหนี่ยวเห็นว่าการประพฤติการกระทำบางอย่างเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรจะประพฤติารกระทำก็งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำมันก็จบกันท่านนั้นเอง ศาสนาสำคัญว่าในเรื่องสตินั้นจะต้องเกิดได้เร็วเพราะถ้าสติมันดีแล้วเนี่ยพวกขันติก็ดีพวกอินทรีย์ก็ดีพวกอสํารวมในเสียก็ดีเนี่ยมันจะเกิดตามมาเพราะสติเป็นเรื่องใหญ่มากบางทีมันเผลอไปมันก็ขาดสติไปนะเช่นว่า ยุงกัดเนี่ยเผื่อไปตบประยุงบางทีมันไม่มันไม่ถึงก็ตบอะบางทีก็ไปเผือเกาเอาแล้วก็ถูกยุงตายอะไร่ไรเนี่ยแต่ถ้ า, ถ, าถ้าสติเราดีเนี่ยเราก็จะไม่ไปรีบเกาอย่างนั้นนะต้องดูซะก่อนถ้าเห็นว่ามังขันเฉยเฉยก็เก า, กเกาถ้าเห็นว่ายุง ก, กัดก็ให้มันกัดไปก่อนหรือว่าสะบัดให้มันหลุดออกไปก็แล้วแต่ตามอัตริยะใส แต่อย่าไปฆ่ามันก็แล้วกันการสารวมที่ถือว่าเป็นด่านสาคัญเนี่ยมันเหมือนกระแสงสว่างที่ป้องกันความมืดเอาไวจา้จากต่จับใดที่แสงสว่างยังมีอยู่ยความมืดมันเกิดขึ้นในจุดตรงนั้นไม่ได้นั่นก็คือแนวญาณสังบอกคือสารวมโวยญาณโด ย, ดวยความรู้ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือวิติกรมาศีนหมายความว่าศีลบททั่วไปเนี่ยเราไม่ร่วงละเมิดพยายามํำนวมระมัดระวังรักษาไม่ ย, ยมอมร่วงละเมิดสิยกบบ ท, ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้นี้ก็เป็นเรื่องของศีลเท่าฝังทาาไรใต้รูมะโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ งองามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านทุกฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี